เมตตาธรรมทั่วแดนโลกธาตุด้วยความเมตตาที่ไม่มีประมาณขององค์หลวงตาและศรัทธาที่สาธุชนมีต่อองค์ท่านผู้คนจึงหลั่งไหลเข้าหาท่านมากขึ้นทุกขณะและทุกงานท่านไม่ได้แจกเครื่องรางของขลังแต่ท่านแจกธรรมะทุกวันท่านสอนให้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องรางของขลังของจิตใจ ไปชำระคราบใครสิ่งสกปรกออกจากใจเสียก่อนแล้วบุญบา ร, รมีจะเข้ามาเองท่านสอนให้ลากิเลสให้สร้างเกาะคุ้มครองตนด้วยการรักษาสีลห้าให้ครบเท่านั้นก็เพียงพอท่านสอนพวกเราเสมอว่าให้สร้างทานบา ร, รมีเพื่อเป็นสเสบียงไว้ในภายหน้าท่านได้กล่าวไว้ในการเทศของท่านเมื่อเช้าวันที่11กันยายนพุทธศักราชส5งว่า ตลาดเราไม่เคยฝันอย่างเนี้ยฝันอัศจรนย์อยู่นะเราไม่เคยฝันจริงๆฝันแบบนี้นะอาจจะร้อนถึงเทวบุตรเทวดาเท้ามหาพรหมก็ได้นะการทำความดีของเราต่อโลกนี้อาจกระเทือนจึงเข้ามาประสานกับความฝันของเราทั้งนู้นลงมาประสานกับความฝันของเรามาอนุโมทนาด้วยว่าอย่างนั้นจริงๆนะพวกเท้าสักกะเทวราชพวกอะไรเข้ามาในฝันละ่ะ พวกถวยเทพทั้งหลายมาอนุมุตนาในเรื่องที่เราสงเคราะห์โลกนี้เป็นที่พอใจอย่าว่าแต่มนุษย์มนาเทวบุตรเทวดายังได้รับนั่นฟังเสิเราไม่เคยได้ยินว่าเทวบุตรเทวดาได้รับส่วนกุศลจากเรามาบอกในความฝันถึงรู้พวกนั้นก็ได้รับเหมือนกันเพราะเมตตาธรรมทั่วแดนโลกธาตุไม่มีสูงมีต่ำเมตตาธรรมถึงหมดเลยนี่แหะ พวกเหล่านี้ได้รับแปลกประหลาดอยู่ความฝันของหลวงตาที่ท่านนำมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องเทพเทวดาเท้ามหาพรหมท่านเท้าสักกะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดบุญและกรรมมีจริงในโลก เวลาในภพของมนุษย์สั้นนักมนุษย์มีอายุไม่ยืนยาวมีอายุอยู่เพียงแค่80บปีร้อปีเท่านั้นแต่ในภพภูมิของเทวดามีอายุเป็นล้านล้านปีและในนรกก็เช่นกันมีอายุพอๆกับบนสวรรค์ของเทพเทวดาต่างๆภพเหล่านี้ถือว่ายังอยู่ในกามาภพเป็นภพที่ยังต้องเสพกามหมุนเวียนทั้งสามแดนโลกธาตุยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด